ฝรั่งแสนแปลกใจแต่ไหนแต่ไรเมืองไทยใจเสรีไม่มีที่ไหนเท่าเทียมขอเท้าความในประวัติศาสตร์ให้เห็นว่าประเทศไทยของเรานี้เป็นมาอย่างไรแล้วขอให้คาดหมายว่าต่อไปยังจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือไม่ในเมืองไทยของเรานี้คนไทยตั้งแต่เป็นพุทธศาสนิาชนสืบมาอยู่ร่วมกับใครก็ได้ ถอยหลังไปตามที่เราจะมีหลักฐานพอเห็นได้ในสมัยที่ฝรั่งเริ่มเข้ามาและเขียนบันทึกเหตุการณ์ไว้ถึงแม้คนไทยจะไม่บันทึกฝรั่งก็ได้บันทึกไว้ขอยกตัวอย่างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อฝรั่งเข้ามาพร้อมกับการล่าเมืองขึ้นและการทำการค้าขายอะไรต่างๆศาสนาก็เข้ามาด้วยคือมีการนำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ และนักบวชที่เข้ามาเผยแพร่ศา ส, สนาคริสต์นั่นเองได้เขียนบันทึกไว้ถึงสภาพชีวิตจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มย้มแจ่มใสยินดีต้อนรับและให้เกียรติคนอื่นไม่ว่าจะเป็นชาติไหนลัทธิศา ส, สนาใดอาตมาจะอ่านให้ฟังตามที่บาทหลวงได้เข้ามาเพื่อเผยแผ่ศา ส, สนาเขาได้พบเห็นว่าคนไทยเป็นอย่างไรและบันทึกไว้ เป็นบันทึกสมัยอยุธยาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชบาทหลวงชื่อชองเดอร์บูได้บันทึกไว้ต่อนหนึ่งซึ่งกรมศิลปากรได้นํามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือไว้เป็นจดหมายเหตุการณ์เดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริสหมายความว่าหัวหน้าใหญ่ของศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเป็นบาทหลวงฝรั่งเศสคนต่างประเทศเขาเขียนเองไม่ใช่คนไทย และไม่ใช่ชาวพุทธเราเขียนเขาบอกไว้ดังนี้ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยู่มากมายและแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตนได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยามอย่าลืมว่าบาทหลวงฝรั่งเศสเหล่านี้มีประสบการณ์ในการไปเผยแผ่ศาสนามามากเข้ามาเห็นเมืองไทยแล้ว เขามีความประทับใจอย่างนี้เป็นเรื่องที่มีความหมายมากถ้าจะเข้าใจและมองเห็นคุณค่าคำพูดของเขาได้ชัดเจนเราจะต้องไปอ่านประวัติศาสตร์เหตุการณ์ทางศาสนาและการเมืองในประเทศแถบของพวกเขาเองโดยเฉพาะในยุโรปเอามาเปรียบเทียบด้วยอีกตอนหนึ่งเขาเขียนบอกว่าความคิดของชาวสยามที่ว่าทุกศาสนาดี ดังนั้นพวกเขาจึงไม่แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอื่นใดหากศาสนานั้นๆสามารถยืนหยัดอยู่ได้ภายในกฎหมายของรัฐนับแต่โบราณากาลผู้ปกครองของไทยมีจตนารมดีงามที่จะปล่อยให้แต่ละชาติปฏิบัติพิธีการทางศาสนาของตนได้อย่างเสรีแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งบอกว่า นี่เองคือแสรีภาพในส่วนที่เกี่ยวกับการนับถือศาสนาอันเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายได้ชื่นชมกันอยู่ในราชอาณาจักรแห่งนี้ที่อ่านมานี้บาดหลวงเขียนทีนี้อันไปดูบันทึกของฝรั่งที่เป็นพ่อค้าเป็นนายทหารหรือเป็นนักบุกครองบ้างตอนนี้จะอ่านเรื่องการชวนสมเด็จพระนารายมหาราชให้หันไปเข้าศาสนาคริสต์ก่อน เรื่องนี้มาในประชุมพงศาวดารขออ่านบันทึกของพ่อค้าฝรั่งเศสเพื่อให้เห็นหลายๆทัศนะและประสบการณ์จากคนละด้านทั้งบาทหลวงพูดว่าอย่างไรพ่อค้าพูดว่าอย่างไรนายทหารพูดว่าอย่างไรพ่อค้าฝรั่งเศสเขียนว่าถ้าพระเจ้าหลุยที่ส4ได้ทรงชักชวนแล้วสมเด็จพระนารายก็คงจะหันเข้าหาศาสนาโรมันคาทอลิกเป็นแน่ ถ้าการเป็นได้เช่นนี้จริงแล้วจะเป็นพระเกียรติยศแก่พระเจ้าหลุยส์สักเพียงไรเพราะในเวลาพระองค์ได้ทรงจัดการศาสนาในพระราชอาณาเขตของพระองค์ยังได้ทรงจัดการทำลายศาสนาอันไม่ดีในแผ่นดินฝ่ายตะวันออกซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดอยู่แล้วบันทึกตอนนี้หมายความว่าเข้ามาเห็นสมเด็จพระนารายมหาราชไม่ได้ทรงรังเกียจเดียดฉัน แต่กลับทรงอุปธรรมศาสนาคริสต์และนักบวชบาดหลวงที่เข้ามาเผยพระเขาก็เลยเข้าใจผิดนึกว่าพระเจ้าแผ่นดินนี้ทรงพร้อมแล้วที่จะนับถือศาสนาคริสต์จึงกราบทูลให้พระเจ้าหลุยทำพระราชสารมาชวนนี่คือเพราะความใจดีของคนไทยใจกว้างจนกระทั่งทำให้เขาเข้าใจผิดคิดไปตามนิสัยของเขาเองแต่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือ เขามีความภูมิใจว่าถ้าเขาไปไหนเขาได้เอาศาสนาของเขาเข้าไปเขาจะต้องทำลายศาสนาของที่นั่นด้วยเพราะเขาถือว่าศาสนาในที่นั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนอดอ้างในบันทึกนี้ว่ายังได้ทรงจาัด ก, การทำลายศาสนาอันไม่ดีในแผ่นดินฝ่ายตะวันออกนี่เป็นข้อสังเกตที่แสดงให้เห็นคติของฝรั่งสมัยนั้นต่อศาสนาอื่นที่เขาถือว่าไม่ดีไปหมด ที่อ่านมานี้เป็นบันทึกของพ่อค้าซึ่งต่อมาก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆคือพระเจ้าหลุยที่ส4ได้ทรงมีพระราชสารมาเชิญชวนสมเด็จพระนารายมหาราชให้ทรงหันไปนับถือคริสต์ทุกท่านคงทราบว่าสมเด็จพระนารายมหาราชทรงตอบว่ายางไรทรงตอบยาวอยู่ถ้าจับเอาข้อความสั้นๆก็คือตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงสร้างแผ่นดินสร้างสิง ส, งสารารสัตว์ทรงดลบรรดาลได้ทั้งสิน้นดังนั้นถ้าหากว่าพระเจ้าต้องการให้พระองค์เป็นคริสต์พระองค์ก็จะบรรดาลเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าหลุยไม่ต้องมายุ่งอะไรทำนองนั้นเมื่อพระเจ้าทรงบรรดาลได้ทุกอย่างอยู่แล้วเมื่อใดทรงต้องการพระเจ้าก็จะบรรดาลเองขณะนี้สมเด็จพระนารายมหาราชยังเป็นพุทธมามะกะ ก็แสดงว่าพระผู้เป็นเจ้ายัางไม่ทรงต้องการจึงทรงปล่อยให้พระองค์เป็นชาวพุทธอยู่อย่างนี้สมเด็จพระนารายมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งทรงตอบทีเดียวพระเจ้าหลุยก็เลยไม่รู้จะว่ายัางไรบัว ก, ก็ไม่ชำ้ำน้ำก็ไม่ขุน